Thank you. ตอนบายหลังจากที่สวดปฏิโมกเสร็จนะก็ได้พูดคุยกับหมูสงแล้วก็มีตอนหนึ่งก็ได้พูดถึงพระรูปหนึ่งพระรูปนี้เนี่ยเอ่ยชื่อสักหน่อยก็คือพระสมหมายเป็นผู้ที่ชักนําให้พระจาสุเมโทโธได้มาพบกับหลวงพ่อชาพระจาสุเมโทโธนี่เป็นพระฝรั่งชาวอเมริกัน ตอนนี้ก็แปดสิบแล้วล่ะนะอายุใกล้ๆกับหลวงพ่อคำเขียนแต่เรื่องเรื่องเนี้ยตอนที่อาจารย์ซูมเมโทพบกับพระสมหมายนี่ก็ห้าสิบปีมาแล้วนะตอนนั้นยังเป็นสามเณรอยู่นะสามเณรสูมเมโทกกำลังสแสวงหาครูบาอาจารย์อายุสามสิบแล้วนะสนใจพุทธศาสนามาเมืองไทยเพื่อมา ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานแต่ก็ยังไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีก็เลยแค่บวชเนรนะตอนหลังก็ไปพบกับพระสมหมายที่เมืองลาวนะระหว่างที่ไปต่อวีซ่าเข้าเมืองไทยพระสมหมายนี่ก็พูดถึงหลวงพ่อชาสามนเณสุมเมโธฟังแล้วก็ประทับใจนะตอนหลังเมื่อบวชพระแล้วเนี่ยนะพระสมหมายนี่ก็พา พระสุเมโถเนี่ยมาพบกับหลวงพ่อชาแล้วก็ต่หลังก็ปฏิบัตินะอย่างจริงจังเป็นพระฝรั่งรูปแรกนะของสำนักหนองปะพงซึ่งตอนหลังก็มีพระฝรั่งตาใหม่มากมายนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นร้อยแล้วนะอาจจะเรียกว่าหลายร้อยก็เริ่มต้นที่อาจารย์สุเมโถนี่แหละอันนี้ที่เกี่ยวข้องกับพระสมมาตรงที่ว่ า, อาพอบวชไป ่านก็รู้สึกมีเรื่องํำคัญใจนะเพราะว่าพระสมานี้เป็นคนที่เ ค, คร่งครัดใ น, นวินัยมากยึดติดในวินัยมากเกินไปจนกทั่งเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นเพ่งโทษคนนั่นคนนี้แล้วก็ภายหลังเนี่ยก็ศึกษาลาเพศไปนะไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรเป็นคารวาไม่กี่ปีก็บอกว่ากลายเป็นขี้เหล้าเป็นคนขี้เหล้า จากพระที่เคร่งครัดในวินัยนะกะดิดกะเดียใครกระดิดกกะเดี่ยนนิดหน่อยก็ไม่ได้นะก็กลายเป็นขี้เล่านะแม้แต่สีลห้ายังไม่ครบเลยเมื่อจารุมเมทโธทราบข่าวก็รู้สึกรังเกียจแล้วก็รู้สึกอับอายนะถ้าจะไปบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะาขี้เล่าคนนี้นะที่เคยเป็นพระเนี่ยพาให้ท่านเนี่ยมารู้จักกับหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาเนี่ย เมื่อรู้ว่าอาจารย์สุเมโธซึ่งตอนนี้เป็นพระหนุ่มนะพระสุเมโธเนี่ยรังเกียจนะทิดสมหมายก็เลยเรื่องมาตักเตือนนะว่าที่หลังเนี่ยให้เรียกว่าอาจารย์สมหมายนะเพราะว่าเ้ามีบุญคุณกับท่านเขาเป็นคนพาท่านมาให้มารู้จักหลวงพ่อถ้าไม่มีพระสมหมายนะ ก็ไม่มีซูเมโทก็จะไม่ได้มาที่หนองป่าพงการตักเตือนของหลวงพ่อชาก็ทำให้จารย์เมโทได้คิดนะแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติต่อหลังก็เรียกอาจารย์สมหมายทุกครั้งเลยไม่ภายหลังเนี่ยสมหมายคนนี้ก็ติดเล่ามากจนกรทังเป็นโรคสุราเรื้อรังแล้วก็ฟั่นเฟือน ต้องเก็บขยะขายเก็บขยะหากินหรือไม่ก็ขอทานไม่มีบ้านนะต้องมาอยู่กระต๊อบนะในวัดเนี่ยมีพระที่รู้จักก็ให้ให้กระต๊อบอยู่นะก็น่าสมเพศนะจากอุตมเพศเนี่ยคือเป็นพระแล้วก็สุดท้ายก็มาลงเอยที่เป็นขอทานเป็นขอทานมันก็ไม่ได้น่าเกลียอะไรนะแต่ว่าหมดสภาพในเศษนะเมาเหล้าจนฟั่นเฟือน ตอนหลังก็โดนรถเมย์ชนตายเพราะว่าไปหาขยะไปเก็บขยะแล้วก็คงเดินไม่ระมัดระวังนะเดินข้ามถนนก็โดนรถเมย์ชนตายอาจารย์สุมเมโธเนี่ยนะก็ระลึกนึกถึงนะจริงๆตอนที่สมหมายฟั่นเฟือนเนี่ยนะอาจารย์สุมเมโทโธก็ยังกลับมาเยี่ยมอยู่บ่อยๆมาเยี่ยมมาเยี่ยมทีไรก็เรียกว่าอาจารย์สมหมายพอเรียกว่าอาจารย์สมหมายเนี่ย แกก็จะเริ่มได้สติขึ้นมาแต่ว่าได้สติไม่นานก็กลับมาฟั่นเฟือนใหม่พอตายเนี่ยอาจารย์สุมเมหลวงพ่อชาก็แนะให้อาจารย์สุมเมโทเนี่ยอุทิศบุญกุศลให้นะเวลาทำความดีปฏิบัติทาแล้วก็อุทิศบุญกุศลใหนะ้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณนะแต่หลังอาจารย์สุมเมโทนี่ก็ได้พูดถึง นายสมหมายคนเนี้นะว่าเนี่ยอาจารย์สมหมายเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับอรตมามากนะพาอรตมานี่มาพบกับหลวงพ่อชาอาจารมาก็จึงรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณนะอาจารย์สมหมายจะศึกษาลาเพศจนกลายเป็นขี้เล่าอย่างไรเป็นเรื่องของท่านแต่หน้าที่ของอรตมาหน้าที่ของพระสุเมทตคือกตัญยูรู้คุณท่านตอบแทนบุญคุณของท่าน อันนี้น่าสนใจนะเป็นพระเนี่ยก็ยังสำนึกในบุญคุณของคนที่เป็นขี้เหล้าเมายานะแล้วก็สติฟั่นเฟือนทีอาจารย์สุมเมโธพูดน่าสนใจมากนะที่บอกว่าท่านจะเมาเหล้านะขี้เหล้าอย่างไรเป็นเรื่องของท่านแต่หน้าที่ของธรรมาคือกระตันยอยู่รู้คุณท่านตอบแทนบุญคุณของท่านคือ พลวงพ่อสมเมโทโอท่านแยกแยกได้ชัดเจนนะใครเขาจะทำอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าหน้าที่ของเราคือว่าเมื่อเขามีบุญคุณกับเราเราก็ต้องคำนึงในบุญคุณของเขาแล้วก็ตอบแทนนะบุญคุณของเขาหลายคนเนี่ยนะอาจจะผิดหวังเสียใจที่พ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ประพฤติตัวไม่ดีนะเช่น ติดเล่าเล่นการพ น, นันหรือว่าเจ้าชู้มีเมียมากนะคนที่เป็นลูกก็หลายคนก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็เกลียดชังรู้สึกรังเกียจนะที่พ่อแม่เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องของเขานะเขาทําอะไรไม่ถูกต้องก็เป็นกรรมของเขาเองต้องรับกรรมเอง แต่ในเมื่อเขาไม่ีบุญคุณกับเราเนี่ยแม้จะเป็นอดีตก็ตามเราก็ต้องนะ่ะสำนึในบุญคุณของเขาแล้วก็ทำหน้าที่ของเราก็คือตอบแทนบุญคุณของเขานะหลายคนนะแยกแยะไม่เป็นนะเห็นพ่อแม่หรือว่าครูบาอาจารยนะ์ทำตัวไม่ดีไม่ถูกต้องนะก็เกลียดชังนะลืมลืมหน้าที่ของตัว ไปสนใจกับเขาไปเอาเรื่องของเขามาเป็นเรื่องของเราจนกระทั่งลืมหน้าที่หน้าที่ของเราคือสำนึกในบุญคุณแล้วก็ตอบแทนบุญคุณเดีย๋ยวว่าแต่คนที่ไม่เคยมีบุญคุณกับเราเลยนะแม้แต่คนที่เขาทําไม่ดีกับเราไม่มีน้ําใจกับเราเนี่ยนะก็ควรจะถือว่าเป็นเรื่องของเขานะเขาทําไม่ดีเขาเบียดเบียนเราก็เขาก็รับกรรมเอง แต่หน้าที่ของเราเนี่ยโดยเฉพาะในฐ <life> านะที่เป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ okay. เนี่ยเราก็มีหน้าที่เท่ที่จะต้องทําความดีไอความดีเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะต้องเลือกทํากับเฉพาะคนที่ดีกับเรานะคนที่ไม่ดีกับเราหรือคนที่ไม่น่ารักเราก็ทําดีเพราะทีเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ทํา <i> ด <dunno> <the> ีเฉพาะคนที่เขาดีกับเราหรือให้แผ่เมตตาเฉพาะคนที่เขามีบุญคุณกับเราคนที่ เขาเบียดเบียนเรานะเขาคิดร้ายกับเราถ้าเป็นชาวพุทธนะหรือว่าเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันก็ต้องไม่ลืมหน้าที่ของเรานะก็คือการทำความดีกับเขาหรือว่าแผ่เมตตาให้เข า, ขออาเคยเล่ามาแล้วนะอะ่เมื่อตอนก่อนฉันสองสามปีก่อนที่ประเทศอเมริกานะกลุ่นิวยอร์กเนี่ยมันมีแท็กซี่คนหนึ่ง แท็กซี่ในกรุงนิวยอร์กเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นคนที่อพยพมาจากอินเดียบ้างปากีสถ า, านบ้างบังคลาเทศบ้างแท็กซี่คนนี้เป็นชาวบังคลาเทศนะก็คงคล้ายๆกับคนไทยนะชาวอีสานเนี่ยไปทำมาหากินที่ตะวันออกกลางนะหรือบางทีก็ไปทำมาหากินที่อเมริกาแล้วก็ส่งเงินกลับมาที่บ้าน แท็กซี่คนนี้ก็เหมือนกันนะที่บ้านยากจนก็เลยามาหากินเป็นแท็กซี่ส่งเงินไปให้บ้านแท็กซี่ในนิวยอร์กเนี่ยรายได้หลักเนี่ยก็คือค่าทิปนะค่าทิปก็คื อ, อเงินเพิ่มเติมนะอภิ南ธ น, นาการไอ้ค่าแท็กซี่ไม่ได้ค่อยได้เท่าไหร่หรอกแต่ได้ค่าทิปนะอันนี้มันเป็นธรรมเนียมของฝรั่งนะ ไปไหนเนี่ยนะอ่ถ้าใช้บริการใครก็จะก็จะแถมนะค่าทิปนี่คือเงินแถมก็วันหนึ่งก็มีคนเป็นนักธุรกิจนะถ้าทางมีฐานะถือกระเป๋าเอกสารแท็กซี่คนนี้ก็คิดว่าโอ้วันนี้โชคดีนะเดี๋ยวคงได้ค่าทิปอ่เป็นกอบเป็นกำรรเลยเช่นอาจจะเป็นหเหรียญเนี้ยนะบางคนก็ให้สิเหรียญเลยนะคนรวยมากๆเนี่ย แต่พอไปส่งถึงที่แล้วเนี่ยค่าทิปที่ได้จากนักธุรกิจคนเนี้มันแค่ส0มสิเซนนะสามสิบเซนถ้าคิดเป็น เ, เงินบาทเนี่ยอาจจะดูเยอะนะคือเก้าบาทแต่ว่าถ้าเทียบค่าครองชีพของที่นั่นมันก็คงประมาณบาทนึงเท่านั้นนะไดค่าทิป บ, บาทเดียวเนี่ยโอ้ผิดหวังนะแต่ว่าขับรถไปซักพักปราก็ว่ า, วามองไปที่กระจกหลังก็เห็น กระเป๋าเอกสารเนี่ยเขาลืมมาไว้แล้วก็ไม่ได้ล็อกด้วยนะเปิดดูปรากฏว่ามันเป็นเพชรนะเพชรเนี่ยเกือบสามสิบเม็ดแต่ละเม็ดนี่ก็คงราคาเป็นแสนหรือเป็นล้านเนี่ยสามสิบเม็ดก็มันก็คงสามสิบล้านนะ น, นะแท็กซี่คนนี้จะทำยังไงนะใจนึ้งก็คิดว่าเนี่ยไอ้คนนี้ไม่มีน้ำใจกับเราเลยอยากกันนั้นเลยนะบางคนคิดเลย เขาลืมของไ้งี้ก็เก็บเลยนะเก็บเป็นของส่วนตัวเรียกว่ามุบมิบแต่ว่าท็กซีก่คนนี้เนี่ยแกตัดสินใจเอาไปให้ตำรวจเพื่อประกาศหาเจ้าของก็เลยเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์คนก็ชื่นชมสารเสริญแกเป็นการใหญ่โอ้โหแท็กซี่ถึงแม้ยากจนแต่มีน้ำใจนะยิ่งมารู้ว่ากระเปะ๋าเอกสารหรือเพชรเนี่ยิเมเนี่ยมันมาจากนักธุรกิจซึ่งให้ทิปให้ค่าทิป แท็กซี่เพียงแค่แสามสิบเซนเนี่ยมันยิ่งเป็นภาพขัดแย้งกันใหญ่นะคนหนึ่งรวยมหาศาลนะแต่ว่างกอีกคนหนึ่งจนแต่มีน้ำใจนะไม่ไม่เก็บอ่าของที่มีค่าเนี่ยเอาไว้กับตัวก็มีนักสืบพิมไปสัมภาษณ์ว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้นะในเมื่อไอแท็กไอผู้โดยสารคนนี้ไม่มีน้ำใจกับเขาเลยทำไมเขาถึงอ่าทำดีตอบแท็กซนี่ก็ตอบว่าเนี่ย ผมก็พยายามนะทําความดีอยู่เสมอแล้วก็วันนี้ก็ไม่ไม่ต่างจากวันก่อนวันก่อนผมทําดียังไงวันนี้ผมก็ทําดีอย่างนั้นนะแหละแ่พูดสั้นๆแบบเนี้นะคือมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะว่าคนเราเนี่ยนะจะทําดีกับใครเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาทําดีกับเราเขาจะทําให้ดีกับเราก็เป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของเราเนี่ยนะในเมื่อเราอยากจะเป็นคนดีเราก็ทําดี ใครทำไม่ดีกับเราก็เป็นเรื่องของเขาไอเรื่องของเราหรือหน้าที่ของเราคือว่าทําความดีนะกับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะทําทดีแล้วมันก็ได้ผลดีเองอื่นเป็นชาวพูดด้วยแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องมีศีล น, นะศีลเนี่ยนะมันควรจะลุกขยายความไปถึงว่าการมีน้ําใจด้วยนะคนไม่มีน้ําใจกับเราก็เป็นเรื่องของเขาเขาต้องรับกรรมเขาเองนะแต่ว่าเราต่างหากนะหน้าที่เราคือทำกรรมดี ถ้าเราไม่ทําความดีเราก็ต้องรับกรรมของเราถ้าเราไม่อยากรับวิบากที่เป็นอกุศลเราก็ต้องทําความดีนะเป็นหน้าที่ถ้าเรารักตัวเองเราก็ต้อ ง, องทําความดีอย่าทำความชั่วแต่คนจนํานวนมากเนี่ยไม่ได้คิดแบบนี้นะก็จะคิดว่าเนี่ยเขาทําไม่ดีกับเราเพราะงั้นเราก็ต้องทําไม่ดีกับเขาบ้างเรียกว่าเอ า, เ, าเรื่องของเขาเนี่ยมาปาปนเขาทําไม่ดีเขาเป็นเะรื่องของเขานะส่วนเรื่องของเราคือทําความดีเพราะมันคือหน้าที่เพราะเป็นสิ่งที่ เหมาะสมถูกต้องแยกย้ให้ดีนะเป็นเพราะคนเราแยกย้ไม่เป็นนี่แหละนะเอาเรื่องของเขามาเป็นเรื่องของเราเนี่ยก็เลยทําอะไรก็ไม่ถูกต้องหรือบางทีก็ทาร้ายตัวเองอย่างเช่นเวลามีคนทําไม่ดีกับเรานะีถ้าเราโกรธนะเราก็ทุกเองเราต้องรู้จักให้อภัยถึงแม้เขาจะเบียดเบียเราอย่างไรก็ตามเพราะถ้าเราโกรธ นะความโกรธมันก็จะเผาใจเราบางคนก็บอกว่าให้อภัยได้ยังไงเขายังไม่สำนึกผิดเลยเขาจไม่มาขอโทษเราเลยเขาจะขอโทษหรือไม่เป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของเรานะก็คือการให้อภัยเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความสุขเราให้อภัยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอะไรเลยนะแต่เป็นเพราะว่าเรารักตัวเองเพราะว่าถ้ามีความโกรธเนี่ยมันก็ไม่มีแผ คนเราเนี่ยเมื่อมีแผลเนี่ยเราก็ต้องเยียวยารักษาตัวไม่ว่าแผลนั้นมันจะมาจากใครก็ตามเปรียบเทีงยง่ายๆน่เหมือนก็ว่าเราเดินข้ามถนนแล้วมีรถเฉี่ยวชนแล้วรถคันนั้นเนี่ยก็ขับหนีไปนะไม่มีความสำนึกนะที่จะมาช่วยเราเลยเรียกว่าตีนผีอันนี้เราถูกรถชนเนี่ยเราก็บาดเจ็บอาจจะกระดูกหักเมื่อเราอยู่ในสภาพเช่นนี้เนี่ย เราควรทำอย่างไรนะถ้ามีรถพยาบาลมามารับเราเราก็ควรจะให้ความร่วมมือนะเพราะว่าหน้าที่ของเราตอนนี้คือเยียวยารักษาตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิเสธนะรถพยาบาลมาเราไม่ขึ้นรถเราบอกว่าต้องให้รถตีนผีคนนั้นเนี่ยมาขอโทษฉันก่อนฉันจึงจะขึ้นรถไปรักษาไปโรงพยาบาลาพูดแบบนี้ฉลาดหรือเปล่า ใครที่พูดแบบนี้นี่ก็ถือว่าโง่นะถือว่าไม่รักตัวเองในเมื่อเราบาดเจ็บนะถ้าเรารักตัวเองเราก็ต้องรีบรักษาก่อนไม่ว่าความบาดเจ็บนั้นมันจะมาจากใครและคนนั้นจะให้มาขอโทษเราหรือไม่นั้นเอาไว้ทีหลังเราต้องรักษาตัวของเราก่อนถ้ามีหมอมีพยาบาลมีรถมารับเราก็ต้องไปแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีแผลที่ใจนะกลับทาสิ่งตรงข้ามนะ มีแผลที่ใจก็ต้องตามสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือว่ารักษาใจของเราด้วยการให้อภัยหากว่าแผลนั้นเกิดจากความโกรธความเกลียดนะก็ต้องรีบนะใช้การให้อภัยนี่แหละเพราะการให้อภัยมันเป็นยารักษาใจแต่หลายคนเนี่ยนะก็ทําตัวคล้ายๆกับคนที่ถูกรถเฉี่ยวชนแล้วบอกว่าฉันไม่ไปโรงพยาบาลจนกว่ามันจะมาขอโทษฉันนะอันนี้เรียกว่าไม่ฉลาดนะ เวลาใครทำร้ายเราเขาจะมาเขาจะสำนึกผิดหรือไม่เป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเขาคือควรจะสำนึกผิดควรจะมาขอโทษขอเข้ามาแต่ถ้าเขาไม่มาขอโทษขอเข้ามาก็เป็นเรื่องของเขาหน้าที่เราคือเยียวยาจิตใจนะให้มีความสุขเยียวยายังไงก็ให้อภัยเพราะว่าถ้าไม่ให้อภัยจิตใจมันก็จะถูกไฟเผาร้อนรน คนที่ปล่อยให้ความโกรธเผาล้นจิตใจนิสัยว่ า, มาไม่รักตัวเองถ้ารักตัวเองต้องต้องรีบเยียวยาอันนี้เป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ต่อจิตใจเหมือนกับเมื่อมีแพ้ก็ต้องรักษาอันนี้เป็นหน้าที่ต่อกายหน้าที่ต่อจิตใจก็เหมือนกันนะถ้าใจมันจะบปวดก็ต้องรักษาและวิธีรักษาที่ดีสุดคือการให้อภัยนะต้องแยกให้ดีนะเขาจะขอโทษหรือไม่เป็นเรื่องของเขามันที่จริงมันเป็นหน้าที่ที่เขาควรจะให้อภัยแต่ถ้าเขาไม่ทําก็ เป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือดูแลตัวเองดูแลจิตใจให้มีความสุขเพียงเพราะาเราเนี่ยไม่ไม่รู้จักแยกแยะว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันนะมันก็เลยเป็นทุกข์กันนะโกรธแค้นพยาบาทอยู่นั่นแหละเพียงเพราะเหตุผลว่าเขาไม่มาขอโทษเราลองดูดีๆนะหลายครั้งเนี่ยเราชอบเอาเรื่องคนอื่นมามาเป็นเรื่องของเราทั้งที่มันไม่เกี่ยวกับเราเลย เวลาเราเจริญสตินะเวลาเรามาวัดเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนกักนะปฏิบัติธรรมบางคนนะปฏิบัติธรรมอยู่ดีๆนะไปเหลียวเห็นคนข้างๆเขาไม่ปฏิบัตินะก็ไปว่าเขาละหรือบางทีก็คัมแบดอยู่ในใจนึกตาหนิอยู่ในใจว่าไม่มาปฏิบัติบางคนมาฟังคำบรรยายอยู่ในหอไตเนี่ยตรงเนี้ยก็ยกมือยกมือสร้างจังหวะ ส่วนค่องข้างเนี่ยเขาไม่สร้างจังกว่ะก็นึกตำหนิเขาในใจว่าเขาไม่ปฏิบัติที่จริงเขาอาจจะปฏิบัติก็ได้นะเข า, า จ, จะมีสติโยกันฟังนะแต่สมมุติว่าเขาไม่ปฏิบัตินะนะเราก็ควรจะถือว่ามันเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเขาเขาไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่ได้ประโยชน์จากการมาที่นี่หน้าที่งเราคือดูจิตดูใจของตัวนะแต่นอกปฏิบัติหลายคนนะคอยไป เป็นทุกข์นะคอยไปรำคาญคนอื่นที่เขาไม่ปฏิบัตินะลืมทำหน้าที่ของตัวหน้าที่ของตัวคืออะไรคือดูจิตดูใจนะคือปฏิบัตินะเนี่ยสมมับสนไปหมดนะหน้าที่ของตัวไม่ทำนะไปตำหนิว่าเขาไม่ทำหน้าที่ของเขา <IN> เขาไม่ทำหน้าที่ของเขาเขาไม่ปฏิบัติ Granny ก็เป็นเรื่องของเขา <IN> นะแต่เราอย่าลืมอย่าละเลยหน้าที่ของเรา นักปฏิบัติเป็นอย่างงี้มากเลยนะไปวุ่นวายคนอื่นทั้งที่คนอื่นนั่นเขาก็ไม่ได้มีอะไรไอ ก, การที่เขาไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราเลยนะเสร็จแล้วเป็นไงตัวเองก็เลยไม่ได้ปฏิบัตินะเจอความหลงมันเล่นงานนะเพราะว่าชอบไปมองคนอื่นอันนี้เรียกว่าไม่แยกแยะนะว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันเรื่องของเขาก็เป็นเรื่องของเขานะอย่าเอามาเป็นเรื่องของเรา เวลาใครมีปัญหามาปรึกษาเราเนี่ยนะถ้าวางใจไม่เป็นก็ทุกข์นะเขาเอาเรื่องมาปรึกษาก็ทุกข์เพราะว่าความหวังดีมั้งหรือว่าความลืมตัวลืมสตินะเขาเขาเอาปัญหามปรึกษาเราก็ทุกข์นะเอาความเอาเอาความทุกข์ของเขามาเป็นความทุกข์ของเราแต่คนฉลาดนี่เขาแยกแยะออกนะเคยมีคนถามมาจาัง ก, กัมพลนะจัง ก, กัมพลเนี่ยนอนอยู่บนเตียง ก็จะมีคนเนี่ยมาปรึกษาเอาปัญหาชิดมามาเลขาจารย์กำพลฟังคนที่มาปรึกษานี่ก็อาการก็ครบ3 2มนะไม่ได้พิการตรงไหนไม่ได้ป่วยตรงไหนนะแต่ว่ามีความทุกข์มากก็มัฟชอบมาปรึกษาจันทร์กำพลอาจารย์กำพลก็สามารถจะให้คําแนะนําแล้วก็หน้าตาก็ยังแจ่มใส ท, ท, ทั้งๆที่ แต่และคนก็เอาความทุกข์หนักๆมามาเล่าทั้งนั้นแล้วก็วันหนึ่งก็มีหลายคนก็มีคนสงสัยวะาจางกำพลนะทำไมไม่รู้สึกเป็นทุกข์หรือว่าหนักอกหนักใจบ้างเลยหรือนะเพราะคนที่มาปรึกษาก็เยอะเหลือเกินความทุกข์ก็มากอาจารย์กอผมก็บอกว่าก็ทาใจนะให้เหมือนกับกระถวนกระนก้นรั่วความทุกข์ของเขาก็เป็นเรื่องของเขานะอย่าเอามาเป็นของเรานะ หน้าที่เราล้วก็ฟังแล้วก็ให้คำปรึกษาไปตั้งใจฟังนะแต่ว่าไม่เอาความทุกข์ของเขามาเป็นความทุกข์ของเรามันก็เหมือนกระโถนก้นรั่วนะทิ้งเข่าลงไปยังไงก็ไม่เต็มนะเพราะว่าก้นมันรั่วก็คือรู้จักปล่อยรู้จักวางอันนี้มันเป็นมันเป็นวิสัยของคนฉลาดนะคือไม่เอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นความทุกข์ของเรามีการแบ่งแยกชัดเจนนะนี่ความทุกข์ของเขา ก็เป็นเรื่องของเขาไปหน้าที่เราคือรับฟังแต่ไม่ใช่เอามายึดไม่ใช่ยึดความทุกข์ของเขาว่าเป็นของเราแต่พอแบ่งแยกไม่ชัดเจนสับสนไปหมดเนี่ยก็เอาความทุกข์ของเขามาเป็นความทุกข์ของเราเอาเรื่องของเขามาเป็นเรื่องของเราเขาไม่ปฏิบัติธรรมก็เอามาเป็นปัญหาของเราอันนี้ก็เรียกว่าโง่นะเขาไม่ปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเราก็ปฏิบัติของเราไป นะเขาทำไม่ดียังไงก็เป็นเรื่องของเขาเรายังทำดีต่อไปนะเขาจะเบียดเบียรเราอย่างไรนะมันเป็นเรื่องของเขานะแต่เราก็ยังทำความดีนะมีน้ำใจกับเขาต่อไปเพราะว่าทำดีย่อมได้ดีนะเขาจ ะ, ะเพื่อเราครูบาอาจารย์ของเรานะพ่อแม่เราจะเมาเล่านะเล่นการพนันอย่างไรนะก็เป็นเรื่องของเขา ถ้าเขามีถ้าเขาเคยมีบุญคุณของเราหน้าที่ของเราคือกรตันอยู่ลูกคุณเขาตอบแทนบุญคุณของเขาทัาท้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคือว่าอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราเรื่องของใครก็เรื่องของมันนะเราไม่ลืมหน้าที่ของเราที่ควรทําแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าถ้ามันเป็นเรื่องของส่วนรวมนี่เราละเลยนะเออถ้ามันเป็นเรื่องของส่วนรวมที่เราละเลยไม่ได้เราก็ต้องทําต้องรับผิดชอบนะอันนี้ต้องแยกแย้ายถูกนะ ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นนะเขาจะทำตัวไม่ดียังไงเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเขามีความทุกข์เราต้องช่วยเขาเพราะนี่คือหน้าที่ของเราหน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของคนดีและถ้าเป็นเรื่องของส่วนรวมเราก็ต้องช่วยต้องดูแลไม่ใช่ว่าเรื่องของส่วนรวมไม่ใช่เรื่องของฉันไม่เกี่ยวนี่ไม่ใช่นะบางคนเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นเรื่องของส่วนรวมที่ฉันไม่ยุ่งนะ ถ้ามันเป็นเรื่องของชั้นเมื่อไหร่ท่านชั้นจะยุ่งอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แยกแยะให้ดีนะพอถ้ายากแยะไม่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะละเลยหน้าที่ของเรานะหรือมิฉะนั้นก็เอาความทุกข์ของคนหรือมาเป็นความทุกข์ของเรากลายเป็นทุกข์ไปคำเดียวพกันเท่านี้นะกลับ